อันทําให้อิ่มใจพระพุทธภาสิทธิบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังมีความอิ่มใจเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมดีอธิบายความพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายว่ากรรมดีที่ว่านั้นคือกรรมที่สามารถก่อให้เกิดมนุสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติมีความสุขเป็นกําไรไม่ต้องเดือดร้อนภายหลังบุคคลนั้นคือผู้ทํากรรมดีนั้น ย่อมเอิบอิ่มอยู่ด้วยกำลังแห่งปิติมีใจชื่นบานเพราะสมณะในขณะที่ระลึกถึงกรรมดีของตนย่อมได้สวยผลแห่งกรรมนั้นในปัจจุบันทีเดียวจริงอยู่การทําความดีแม้จะต้องลําบากตรากตําต้องเสียสละความสุขทางกายบ้างแต่ก็มีความอบอุ่นใจมีความสุขใจเป็นผลตอบแทนแม้เราจะทํามานานนับสิบปียี่สิบปีหรือสาสิบปีแลว้วก็ตามแต่มันยังตามให้ความสุขสมณะทุกครั้งที่ระลึกถึงบุญหรือความดีจึงเป็นของทิพย์ ถึงใจผู้ทําทําให้อิ่มเอิบทุกครั้งไปเมื่อระลึกถึงความดีเป็นสิ่งน่าทําจริงๆพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เวรุวรรณารามเมืองราชคลึกระงปรารบนายสุมน ม, มาลาการคือช่างดอกไม้ชื่อสุมน ม, มีเรื่องย่อดังนี้ช่างดอกไม้ชื่อสุมนนั้นนำดอกไม้คือดอกมะลิวัละแปดธนานไปบํารุงพระเจ้าพิมพิสารแต่เช้าตรู่ทุกวันและได้ทรัพย์วันละแปดกหาพณะ วันหนึ่งขณะที่เขานําดอกไม้ไปสู่พระนครแต่เช้าได้เห็นพระศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่พระนครเหมือนกันพระองค์มีภิกษุสงฆ์มูใหญ่แวดล้อมทรงเปล่งพระฉัพนรังสีเสด็จด้วยพระพุทธานุภาพและพระพุทธรีลาอันใหญ่ยิ่งการเปล่งพระฉัพนรังสีของพระศาสดานั้นมีเป็นครั้งคราวบางคราวพระองค์ก็เสด็จไปเหมือนภิกษุธรรมดารูปหนึ่งเช่นคราวเสด็จไปโปรดองค์ขริมานเป็นต้นวันนั้น มีพระพุทธประสงค์จะไปโปรดนายสมนุนมาลาการจึงทรงเปล่งพระรัศมีเสด็จไปนายสมนุนมาลาการได้เห็นอัตภาพของพระผู้มีพระภาคประหนึ่งรัตน์อันมีค่าประหนึ่งทองอันมีค่ามีจิตเลื่อมใสยอย่างยิ่งจึงตัดสินใจยอมสละชีวิตเอาดอกไม้ที่จะนําไปถวายพระราชานั้นบูชาพระศาสดาด้วยความรู้สึกอันมั่นคงว่าพระราชาเมื่อไม่ได้รับดอกไม้จะพึงฆ่าเราหรือในประเทศเราเสียก็ตาม เราจักบูชาพระาศาสดาด้วยดอกไม้นี้ตำนานเล่าว่าดอกไม้ที่นายมลาการโยนขึ้นบูชานั้นได้แวดล้อมพระาศาสดาไปมิได้ตกลงสู่พื้นดินมหาชนชาวนครราชครึศเห็นเป็นอัศจรรย์จึงเที่ยวติดตามแท่ซ้องสาธุการส่งเสียงชายโยโหร้องด้วยปิติปรามโมทที่ได้เห็นเหตุอันอัศจรรย์เช่นนั้นและตามเสด็จไปทุกแห่งพระาศาสดาเสด็จไปตามถนนต่างๆในพระนคร เพื่อทรงประกาศคุณของนายมาลาการนายส ม, มนุนมาลาการตามเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งแล้วกลับบ้านเมื่อพัญญาถ า, ถามถึงดอกไม้สำหรับถวายพระราชาเขาบอกว่าได้บูชาพระศัสลาเสียแล้วพัญญาด่าเขามากว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักที่ตายธรรมดาพระราชาเป็นผู้โหดร้ายกลี้วแล้วอาจให้ประหารหรือตัดมือตัดเท้าเสียก็ได้นางวิพาบุตรไปเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องทั้งภูงให้ทรงทราบ แต่ทูลว่ากรคำใดอันนายสมุมณทําแล้วขอให้เป็นของนายสมุมณคนเดียวนางได้อยากกับเขาแล้วพระราชาพิมพิสารนั้นทรงเป็นโสดาบันเลื่อมสายในคุณแห่งพระราชทตนใจไม่ได้คลอนแคลนทรงสดับคําของนางแล้วทรงดมฤตว่าหญิงนี้เป็นอันธพานไม่เลื่อมสายในคุณแห่งพระสัตวดาเห็นป่านี้แต่ทรงแท้มีกระแสพระราชดํารัสว่าที่นางอยากกับเขาเสียได้นั้นดีแล้ว แล้วแล้วพระราชาก็รีบเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทรงร่วมขบวนตามเสด็จพระศาสดาไปในถนนสายต่างๆด้วยพราะผู้มีพระภาคเสด็จมายังพระลานหลวงพระราชาทรงรับบาดอัญเชิญให้เสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศแต่พระทศพลทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับณพระลานหลวงนั่นเองพระราชาจึงรับสั่งให้ทําปรามขึ้นในขณะนั้นเองที่พระสถาคตเจ้าประทับณพระลานหลวงก็เพื่อทรงประกาศคุณของนายมารการ ให้ปรากฏแก่มหาชนที่ประชุมกันท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าย่อมทรงเปิดเผยคุณของผู้มีคุณโดยสิ้นเชิงไม่ทรงปิดบังส่วนปุถุชนทั่วไปเมื่อจะกล่าวคุณของผู้อื่นมัก อ, อมเสียคือไม่กล่าวหรือแสดงทั้งหมดทั้งนี้เพราะความเร้เสียในคุณของผู้อื่นดอกไม้ที่ในมาลาการโยนขึ้นบูชายังคงแวดล้อมกับพระศาสดาอยู่นี่เป็นด้วยพุทธานุภาพมหาชนประชุมกันมากมายล้นพระรานหลวง เมื่อเสร็จพัตกิจแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาเสร็จแล้วเสด็จกลับสู่เวฬุวันวิหารพระราชาตามทรงเสด็จพอครัวแล้วเสด็จกลับเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าสู่พระคันธคุดีดอกไม้ทั้งหมดก็ตกลงกองอยู่หน้าพระคันธคุดีพระราชารับสั่งให้ในายส ม, มุนมาลาการเข้าเฝ้ารับสั่งถามเหตุผลในการเอาดอกไม้บูชาพระศาสดาทรงทราบความคิดและการตัดสินใจยอมสละชีวิตของเขาแล้วทรงปราโมทโปรดปานตรัสว่า เจ้าเป็นมหาบุรุษแล้วพระราชทานของเป็นอันมากอย่างละแปดแก่เขาคือช้างแปดม้าแปดทาแปด 8, ทาสีแปดเครื่องประดับชุดใหญ่แปดชุดกระหาพระนักแปดพันหญิงแปดนางล้วนนำมาจากราชสกุลประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและพระราชทานบ้านสวยแปดตำบนพระอนนทเทระทูลถามพระศาสดาว่าผลแห่งกรรมของนายสมุนมาลาการจะเป็นอย่างไรพระทศพลตรัสว่าอานน เธออยากคิดว่ากรรดีอันนายสมนุนมาลาการทำแล้วจะเป็นของเล็กน้อยนายมาลาการสละชีวิตเพื่อเราจิตของเขาเลื่อมใสในเราอย่างนี้แล้วจากไม่ไปสู่ทุกติถึงแสนกับเขาจากดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ตลอดแสนกับนี่เป็นผลแห่งการบูชานั้นภายหลังเขาจะได้เป็นพระปัจเกพุทธเจ้านามว่าสุมณะตอนเย็นพิสุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องนายมาลาการ พระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่มีความเดือดร้อนในภายหลังมีแต่ปิติสมนัตเมื่อเราลึกถึงกรรมนั้นอันบุคคลควรทำแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตดังที่ได้พรรณน า, นา ม, มาแล้วแต่ต้น